บุ๊กทูแปดคำคุณศัพท์สามเธอมีสุนัขหนึ่งตัวสุนัขตัวใหญ่ เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวเธอมีบ้านหนึ่งหลัง <Ma Doom. S 1> บ้านหลังเล็กเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง Ma เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง Bydlí v hotelu. r o n g r é m r á č a dlu. Ten hotel je levný. k a u p a k jůnej r o n g r é m r á k á dlu. Bydlí v levném hotelu. Koupá, má auto. Růd, rača, peň. To auto je drahé. เขามีรถราคาแพงหนึ่งคันมาดระเฮอัตโตเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องชเตโรมานนิยายน่าเบื่อแต่โรมานเยนุดนีเขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องชเตนุดนีโรมาน เธอดูหนังหนึ่งเรื่องหนังน่าตื่นเต้นเนฟิล์มยนีน افي เธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่องดีวาเซนานับีน ا ف ฟิล์มรุณาไปที่ www. b o o k t o o